ขอนอบน้อมต่อคุณบรัตะไตรอโอกาสหลวงพ่อคมอาจารย์ทรงศิลป์ <c oughs> เพื่อนธรรมเพื่อนสาธรร ม, มิตทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านในในโลกนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบสิ่งที่เป็นความจริงในโลกนี้อย่างหนึ่งก็ว่าทุกอย่างเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยเนาะ ทั้งที่เมื่อกี้เราสวดนนมนต์ทำวัดเช้าไปก็ว่าเออความเกิด เ, เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ปราศนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะจริงๆแล้วความทุกข์ในเป็นสิ่งที่คู่กับโลกมาตลอดนะหรือคู่กับตัวเรามาตลอดแต่เราก็ไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้ อันนี้น่าเป็นสิ่งที่ว่าทั่วโลกเลยนะก็คือทุกๆศาสนาหรือว่าทุกๆเพศทุกๆวัยผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ทุกอย่างตกอยู่ในกฎแห่งความทุกข์ทั้งหมดเลยนะคันนี้อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นในตรงนี้ไหมนะแต่เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนเนี่ยก็มีอบุรุษผู้หนึ่งนะก็สามารถที่จะเห็นว่าความทุกข์นี้ไม่อยู่จริงนะไม่อยู่จริง ก็ะทรงเห็นว่าถ้าหากว่ามีความทุกนี้ถ้าในชาตินี้ยังทุกอยู่ชาติหน้าก็ต้องทุกต่อไปนะเพระองค์ก็ได้ทรงหาหนทางคนทุกเรานั้นออกมานะได้ทรงสระนะละราชบัลลังก์นะทรงสละความสุขส่วนตัวสละพระมเหสีนะสละพระราโชดออกมาจากความสุขมาสู่ความทุกนะมาสู่ความทุกจริงๆเพื่อให้เรียนรู้ความทุก นะเราจะได้หาหนทางออกจากความทุกข์ให้ได้จากความทุกข์นั่นแหละนะเพราะงั้นการที่เราออกมาสู่ความจริงก็คือมาพบความทุกข์ก็เพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์นั่นเองนะเนะพราะนั้นก็จะมีในวันเราก็มีหลายๆผู้หลายๆคนหลายๆท่า น, นก็สละความสุขส่วนตัวมานะเพื่อที่จะพบกว่าความทุกขนะ์แลเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์นั่นเอง ครั้นี้ที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบเมื่อสองพันกว่าปีก่อนนั้น <c oughs> ก็คือทรงพบนะในหลักความจริงของสัจธรรมนั่นเองแล้วนะว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ก็ตกอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์ทั้งนั้นนะก็คือค อ, อนิจจังคือความไม่เที่ยงนะทุกขังการทนในสภาวะเดิมไม่ได้อนะัตตก็คือความไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ไดนะ้ก็คือความจริงของโลกนี้นะ ความจริงโลกนหมายควา ม, มาทุกๆสิ่งนะทุกสิ่งในโลกนี้ทั้งหมดนะทั้งตัวเราเองด้วยนะแล้วก็สิ่งรอบๆตัวเราทุกๆอย่างนะภูเขาเรากาต้นไม้ใบไม้นะหึกลามบ้านช่องนะธรรมชาติทั้งหลายนะภูเขานะแม่น้ําทะเลนะพื้นดินนะรรอาสรัรพสิ่งทั้งหลายสัพสัตทั้งหลายก็ล้วนตกอยู่ในนะพระไตรลักษณ์นี้ทั้งหมด ครั้นี้เมื่อทรงค้นความจริงเช่นนี้แล้วทํำยังไงต่อนะก็คือปฏิบัติธรรมนะเพื่อที่จะให้พบใหเ้เข้าใจนะยอมรับความจริงในสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองนะพอจิตนะเกิดความเข้าใจเกิดความยอมรับในความเป็นจริงในความไม่เที่ยงความเป็นทุกขนะ์ความไม่รักตาแล้วเนะี่ยจิตก็จะหมดจากความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไปเองนะหมดจากการยึดติดว่าเออ ร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเมื่อหมดความยึดถือในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราแล้วนะก็จะหมดความยึดถือในสรรพสิ่งทั้งหลายไปด้วยเมื่อหมดความยึดถือในสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วนะจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดนะเพราะเหตุแห่งการไม่ยึดติดการปล่อยการวางนั่นแหละจึงเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริง นะมันก็เป็นการไปตัดนะไปละอุปทานนะความยึดติดในสรรพสิ่งในโลกนี้นะในรูปในานามของตัวในตนของเราในรูปในานามของผู้อื่นนะตลอดจนสิ่งต่างในโลกนี้มันก็หลุดไปนะจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายนะจิตก็ปล่อยก็วางก็คลายจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายในตรงนั้นนะเมื่อจิตเบื่อหน่ายจิตก็พ้นทุกข์ไปได้ตรงนี้มันจึงเป็นประเด็นที่ว่า การที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เราเข้าถึงความจริงในตรงนี้เท่านั้นเองแล้วจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความจางคลายเกิดความไม่ยึดติดนะเมื่อจิตเบื่อหน่ายจิตก็คลายกำหนัดเมื่อจิตคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นนะเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วก็คือเข้ามาประจักษ์ความจริงในพระไตรลักษณ์นั่นเองเนาะคราวนี้ในพระไตรลักษณ์เนี่ยก็คือให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะ รวมทั้งตัวเราเองด้วยมีแต่วความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไปทุกทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงแท้แน่นอนนะตรงนี้เราสามารถมองเห็นได้ไหมนะครั้นิการมองเห็นเนี่ยก็คือเรามองเห็นได้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเปลนเป็นแบบนั้นได้จริงนะแต่จริงๆแล้วก็คือเมื่อเราเห็นสิ่งภายนอกแล้วก็กลับมานะมองย้อนกลับให้ตัวเราในความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนั่นเองนะในสมัยพุทธกาลก็มีผู้ที่สามารถที่จะ เข้าถึงตรงนี้ได้นะอย่างเช่นก็มีผู้ที่เห็นใบไม้ร่วงลงมานะใบไม้ร่วงลงมาที่พื้นดินนะก็มาพิจารณาใบไม้ว่าเมื่อก่อนใบไม้นี่ก็อยู่บนต้นไม้นะมีใบสีเขียวต่อมาก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะต่อมาก็เปลี่ยนเป็นสีน้าตาลแล้วหลังนั้นก็ล่วงหล่นลงมาที่พื้นดินนะก็อีกหน่อยก็ค่อยๆที่จะสลายตัวไป กลายเป็นฝุ่นกลายเป็นผงไปรนะ่างกายเราก็เหมือนกันน ะ, ะก็เหมือนกันก็เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเนะี่ในสุดเราก็กลายเป็นฝุ่นเป็นผงไปนะเหมือนกับใบไม้นี้นะจากการเข้าใจตรงนี้ท่านก็บรรลุเป็นพรหาหันได้นะหรือท่านจุลบรรดกนะท่านกนะ็อยู่กับพระพิชายนะพระพิชัยก็ให้นะท่องคาถาเพียงสี่คาถาเท่านั้นก็จําไม่ได้นะ พระพิชายก็เลยไล่หนีไปนะท่านก็เลยจะมาลาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจุลปนดกท่านบวชเพื่อเราไม่ใช่บวชเพื่อพี่ชายอท่านก็ออยู่กับเราก่อนแล้วกันนะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องไปท่องอาถารพ์อะไรแล้วนะก็อะเอาผ้าขาวไปไปเป็นรูปไปคลึงอออืพระจุลปนดกก็เอาผ้าขาวมารูปมาคลึงอ สักระยกหนึ่งผ้าขาวนั้นก็เริ่มเป็นสีหมองคล้ำไปนะเริ่มสบโปกจากตัวเองนั่นแหละพอตัวเองนี่ร่างกายโสบปกไปรูปผ้าขาวก็เลยโสบปกไปด้วยเมื่อผ้าขาวโสบปกแล้วก็มาพิจารณาตัวเองว่าตัวเองก็เช่นนั้นเหมือนกันจากความที่เป็นสิ่งที่เป็นขาวกลายเป็นสีหมองคล้ำตัวเองก็เหมือนกันก็มีความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้นั่นแหละเพราะร่างกายเราโสบปกจึงทำให้ผ้าโสปกไป นะเพราะร่างกายของเราจึงมีแต่ความโสปกมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความไม่แน่นอนแบบกับพ้าขาวเช่นนีนะ้จากการที่ท่านพิจารณาในตรงนี้ท่านก็บรรลุเป็นรปพระหันได์ไดนะ้ก็คือสามารถที่จะเห็นความจริงในความไม่เที่ยงในตรงนี้แล้วก็กลับมาย้อนนะกลับมาพิจารณากับตัวเองเมืนะ่อพิจารณากับตัวเองก็เกิดความเข้าใจนะเพราะมันเป็นการที่เปรียบเทียบกับความจริงที่อยู่ตรงหน้า จิตของท่านก็เลยวางคลายจากความยึดมั่นในขันหานั้นท่านก็หลุดพ้นไปได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเมื่อเราเห็นความจริงต่างๆแล้วเนี่ยเราสามารถกลับมาย้อนกลับมาพิจารณามาตู่ตัวเองกลับมาย้อนเพื่อที่จะเห็นตัวเองว่ามีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นปนิตพาได้ไหมนะ ขณะนี้ความไม่เที่ยงในตัวเราเนี่ยเราเห็นได้จริงๆแล้วก็ไม่ยากนะจั้งแต่เราเป็นเด็กมาจนถึงทุกวันนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงปไานี้เราคงเป็นเด็กทารกตัวเล็กๆอยู่แล้วนะมันเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ชัดเจนนะในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ในสุดก็ถึงในความตายนะเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราเช่นเนี่ยชัดเจนนะแล้วความเปลี่ยนแปลงต่างๆในร่างกายเราก็มีให้เห็นชัดนะ เราอาจจะผมหงอกแล้วนะตาเริ่มฟางต้องหาแว่นมาใส่สายตาก็สั้นบ้างยาวบ้างนะหูจากการที่หย่อนก็หูก็เริ่มตึงนะได้ยินอะไรก็ไม่ชัดเจนนะหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนเราเห็นว่าอาตองมีเครื่องช่วยฟังแสดงว่าหูเนี่ยไม่ชัดเจนแบบสมัยก่อนแล้วน ะ, นะฟันก็เริ่มหักนะ แล้วก็ร่างกายเราก็เริ่มเหี่ยวย่นไปต่างๆนาๆนานั่นเป็นสิ่งที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นชัดนะจับมันบางทีเราไม่มีรอยตีนกาก็ปรากฏรอยตีนกาขึ้นหน้าผากก็เริ่มที่จะมีรอยขีดรอยย่นแก้มก็ตอบลงนะใบหน้าที่เคยสวยงามก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่น่าดูนะความแข็งแรงที่เราเคยมีในอดีต เราเคยวิ่งได้เร็วนะเราก็วิ่งใจช้าลงนะหรือบางทีตอนนี้เราอาจจะแทบจะวิ่งไม่ได้เลยนะออกําลังกายเล็กน้อยก็เหนื่อยนะไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนนะบางวันก็เจ็บอัอดแทด น, นะบางวันก็นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างนะอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงๆในตัวเราไม่ต้องไปดูที่อื่นนะดูตัวเราเท่านั้นก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วนะเรายอมรับเข้าไหม หรือว่าในชีวิตเราไม่เคยยอมรับในสิ่งเหล่านี้เลย น, ะนอกจากนั้นข้าวของเครื่องใช้ ต, ต่างๆเราก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะมือถือเราซื้อมานะสักระยะหนึ่งก็ต้องซ่อมก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขนะหรือใช้ไปสักพักหนึ่งโอ้มันมือถือ น, นี่มันเก่าไปแล้วนะมีมือถือออกใหม่ต้องเยอะก็อยากจะซื้อใหม่นี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเรานะเรามีรถยนต์คันหนึ่งนะ มันก็ใหม่ๆก็สวยดีหรอกไม่เสียไม่อะไรนะใช้ไปสักระยะหนึง่งก็เริ่มจะเสียนะเริ่มมันจะต้องมีปัญหาจุกจิกตามมานะเริ่มต้องซ่อมนะต้องซื้ออะไรนะต้องคอยดูแลตลอดเวลานะอ่านะนี่คือความเปลี่ยนแปลงรถยนต์นะบ้านเรานะบางทีเรานะเกิดไปซื้อบ้านใหม่สักหลังหนึ่งบ้านเดี่ยวนะราคาหลายหล้านนะโอ้มีความภูมิใจบ้านนี้สวยมากนะทุกอย่างเปอร์เฟ ใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีปัญหาแล้วนะห้องน้ำต้องมาซ่อมส้วมก็ลาดไม่ลงนะไฟฟ้าก็เริ่มเสียนะน้ำก็เริ่มจะติดขัดนะผนังเริ่มร้าวนะสีเริ่มที่จะลอกออกมานะบางแห่งอยู่ไวดีๆในพื้นดินเกิดซุดขึ้นมาเนี่โอ้โหนี่มันเท่ากับว่าบ้านเราแย่ไปเลยนะต้องทุบทิ้งเลยเนะี่ย สิ่งต่างๆเราเห็นว่ามันมันไม่เที่ยงทางนั้นนะตรงเนี้เราจะเห็นว่าเกิดความเบื่อหน่ายจริงๆนะว่าทําไมนะสิ่งรอบๆตัวเรานี่มันมีแต่ความเสื่อมลงไปทุกๆทางทุกๆวันนะแล้วเราเห็นในตรงนี้ไหมนะต่อมานะก็เป็นความทุกข์ความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ง่ายที่สุดเลยนะความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ประจําในกายใ น, ในใจเราอยู่แล้วนะ ที่ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นความทุกข์เนีเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นความทุกข์เนี่ยเราเห็นในตรงนี้ไหมนะก็คือเราเนี่ยกำลังเดินเข้าหาความตายทุกคนนะเรามีคําพิพากษาดีกามาอยู่แล้วว่าอ่าประหารชีวิตนะแต่เราจะเห็นในตรงนี้ไหมว่ามันเป็นความทุกข์จริงๆนะความทุกข์นี่ก็มีทั้งความทุกข์กายและทุกข์ใจนะ ความทุกข์กายเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าเราจริงๆแล้วเราแก้ก็ไม่ได้หรอกนะความทุกข์กายนะก็เช่นอย่างที่ว่าความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความทุกข์กายอย่างหนึ่งเราแก้ก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันนี้ไม่พ้นอยู่แล้วความทุกข์กายนะนอกจากความทุกข์กายจะมีที่จอดมาต่างๆเช่นความหนาวความร้อนอันนี้เราก็แก้ได้ชั่วคราวเท่านั้นนะร้อนเราก็ไปเปิดแอร์เปิดพัดลมมันก็หายนะแต่อีกประเดี๋ยวมันก็ร้อนใหม่นะ ความหิวนี่ก็เป็นความทุกข์นะเราก็ไปทานอาหารมันก็แก้ทุกข์ได้ชั่วคราวาเดี๋ยวก็หิวใหม่ความง่วงก็เป็นความทุกข์เราไปนอนมาตื่นขึ้นมาแล้วอีกสระยะระยะหนึ่งก็ง่วงอีกก็ต้องไปนอนใหมนะ่หรือเราปวดเมื่อยเราไปบัติธรรมแล้วปวดเมื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนไปาจากการที่เรานั่งยกมือไปบัติธรรมเราก็รู้สึกมันเมื่อยมากเราก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนระบบเป็นการเดินจริงๆแล้วนี่คือการแก้ทุกข์อย่างหนึ่งเหมือนกัน นะแต่ก็เราก็ไม่รู้แมนะ้ว่าเป็นการแก้ทุกข์นะจากการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราจะทําท่าอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ทนหรอกมันต้องแก้ทุกข์ไปตลอดเวลานะเราเห็นในตรงนี้ไหมนะเพราะจริงๆแล้วเราปีนเลยบทต่างๆเพราะเราต้องการแก้ทุกข์เท่านั้นเองนะแต่มันก็ไม่ใด้เป็นการแก้ถาวรเพราะมันก็ต้องหาทางแก้อยู่เรื่อยๆนะเป็นการบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางกายมันมันสามารถไม่สามารถที่จะแก้ได้อย่างถาวร ส่วนความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี่มันจริงๆแล้วมันมีความทุกข์มากกว่าทางกายนะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการทุกข์ทางใจมากกว่าแต่ความทุกข์ทางใจนี่แม้จะทุกข์มากกว่าทางกายนะแต่สามารถแก้ได้นะแล้วแก้ได้ถาวรด้วยอย่างเช่นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็มีความทุกข์ทางกายแต่ทางใจท่านก็ไม่ทุกข์แล้วนะเพราะท่านสามารถที่จะดับทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางใจ เกิด <c oughs> จากสาเหตุใหญ่สามการนะเขาเรียกว่าเป็นรากเงาหรือรากเงาของกิเลส ท, ทั้งหลายนะก็คือโลภะหรือราคะนี่แหล ะ, ะโทสะและโมหะนั่นเองน ะ, ะาคะหรือโลภะนี่ก็คือความยินดีทั้งหลายแหละนะความอยากได้ความยึดติดความพอใจอความที่เราต้องการในสิ่งต่างๆนะตรงนี้ก็คื อ, อความที่เรามีความยินดีในสิ่งเหล่านั้นนะ เขาเรียกว่าเป็นลาคะหรือความยินดีความพอใจความอยากได้นะเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าเราจะไปยึดเข้ามาอยากได้เข้ามานั่นเองนะอีกตัวหนึ่งที่นาความทุกข์มาให้เราอยู่เป็นประจำก็คือโทสะนะโทสะหรือความไม่พอใจความโกรธหรือปริฆาเนี่ยก็มีลูกหลานมากมายเช่นกันนะก็มีความกลัวความเหงาความเครียดความหงุดหงิดความขัดเคือง ความไม่พอใจต่างๆนะก็คือเป็นอารมณ์ยินายทุกอย่างนั่นเองนะอารมณ์ที่ยินไลนะเป็นความที่ว่าเราไม่พอใจต่างๆนั่นเองซึ่งตรงข้ามกับความยินดีนะยินดีก็อาจจะเทียบว่าเป็นอารมณ์เป็นบวกแต่ยินไยก็เป็นอารมณ์เป็นลบนะเพราะฉะนั้นวันๆเราจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งวันนะความยินดีความยินไลนี่แหละก็คือราคะและโทสะเนี่ยเกิดขึ้นทั้งวันนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะเป็นรากเงาก็คือโมหะ โอเคคือความที่เราไม่รู้ความจริงในขณะนี้ว่าเรากําลังเป็นอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่ไม่รู้ขณะนี้กําลังนั่งอยู่นะไม่รู้ขณะนี้กำลังฟังธรรมกาลังฟังธรรมก็คิดไปถึงเรื่องอื่นเราก็ไม่รู้ทันนะหรือว่าขณะนี้นะเราคิดอะไรเราไม่รู้ว่าเรากำลังคิดโกรธก็ไม่รู้ว่ากำลังโกรธรักก็ไม่รู้กําลังรักก็คือไม่รู้ในขณะปัจจุบันตามความเป็นจริงนั่นเองว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยู่ นะตรงนี้ก็คือความหลงไปในการที่เราไม่รู้ในความเป็นจริงในขณะปัจจุบันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันความเป็นจริงของกายและใจนะเมื่อเรารู้เท่าทันความเป็นจริงของกายและใจแล้วนะเราก็ไม่หลงไปนะไม่มีโมหนะก็กลับมารู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นเอาราคะหรือโทสะก็ดีนะ จริงๆก็เกิดจากเรามีโมหะมาก่อนนะเพราะเราไม่รู้เท่าทันความจริงนั่นเองเราก็เลยเกิดราคะคือความยินดีเกิดโทสะคือความยินร้ายต่างๆตามมาแต่เมื่อใจเราไม่มีโมหะหรือไม่มีความหลงแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ได้รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคะเป็นโทสะเรารู้เท่าทันได้เลยนะเพราะถึงอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นั่นเอง <c oughs> หลงก็คือเป็นโมหะ ให้กลับมารู้แทนเนี่ยอ่าพอเรารู้ปับ๊บเราก็รู้เท่าทันลมต่างๆได้เพราะเมื่อเรารู้เท่าทันลมต่างๆแล้วะความทุกข์ก็น้อยลงไป <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นราคะหรือโทสะก็คือความทุกข์ทั้งนั้นนะเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเองนะ <c oughs> ตรงนี้จึงว่าเราเร า, เราสามารถรู้เท่าทันไหมอ่าในความทุกข์ทางใจของเรานะพุทธนาที่จริงๆแล้วนะไม่ได้เป็นแก้ความทุกข์ทางกายนะ <c oughs> ความทุกข์ทางกายเนี่ยพูดภานาแก้ไม่ได้หรอกแต่พูดภาษาอะไก็คือการแก้ความทุกข์ทางใจโดยตรงนั่นเองน ะ, น ะ, น ะ, นะเพราะฉะนั้นความเป็นพระรหานหรือความเป็นพระริยเจ้าก็เกิดท่านสามารถดับความทุกข์ทางใจได้น ะ, นะเมื่อดับความทุกข์ทางใจแล้วเนี่ยท่านก็ไม่มีอุปทานที่จะไปเกิดใหม่นะที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่เพราะนั้นความทุกข์ทั้งหมดท่านก็ดับไปทั้งความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจแล้วก็พอยดับไปด้วย นะเพราะฉะนั้นการที่เราแก้จริงๆนะก็คือมาแก้ความทุกข์ทางใจนะแต่ถ้าเราไม่แก้ความทุกข์ทางใจแล้วเนี่ยเราประสบไรขึ้นซักอย่างหนึ่งเราจะทุกข์ทางกายและทางใจเลยนะเค็งขณะนี้นมีคนบอกว่าเราเป็นโรคมะเร็งนะเราจะทุกข์ทางกายด้วยและทุกข์ทางใจด้วยนะเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับในความเป็นโรคมะเร็งนั่นเองนะเราไม่เห็นว่ า, ามะเร็งนี้มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยนะไม่เป็นเช่นนั้นเราก็ทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจเขาเรียกว่าโดนยิงธนู2ดอก นะหรือถ้าหากว่าเร า, ามีคําพิพากษาให้ติดคุกเราก็ทุกทางกายทุกทางใจไปด้วยนะากายก็ติดคุกใจก็มานั่งนึกว่าทําไมเราต้องมานั้งติดคุกแบบนี้นะทั้งๆที่มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองนะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะจะทําให้เราเกิดความทุกทางกายและทางใจแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมมาแล้วเราจะทุกแต่ทางกายเท่า น, นั้นแต่ใจเราจะไม่ทุกเลยปนะระเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ว่าใจเราต้องไม่ทุกเลยนะ มันจรงกับนทุกทายาจริงนะต่อมาก็คือความเป็นอนัตตานะอนัตตานี่จริงๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเลยนะเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงหรือความทุกข์ก็ดีนะั้นจริงๆในศาสนาอื่นเขก็พอมองเห็นได้อยู่นะแต่ความเป็นอนัตตานี้ศาสนาอื่นเขาจะมองไม่เห็นในตรงนี้นะนะความเป็นอนัตตา น, นั้นก็คือความที่เราสามารถเข้าใจนะในความที่ไม่ให้ตัวไม่ตนนี่แหละอ่านะแล้วก็บังคับบัญชาก็ไม่ได้นะ เพราะว่าตรงนี้เป็นหัวใจใหญ่ในการที่เราไปยึดติดเลยนะหัวใจใหญ่ตรงนี้นะเมื่อเราไปยึดติดในร่างกายและจิตใจของเราแล้วน ะ, ะความทุกข์มันก็ตามมาทั้งหมดมันไม่ได้พ้นจากตรงนี้ไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นในสังโยชน์สินะสังโยชน์ทั้ง10นะสังโยชน์ทั้งสิบนี่ก็คือผู้ใดที่ละสังโยชน์สิได้แล้วก็เป็นพระหรหันนะแต่สังโยชน์ข้อแรกก็คือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิก็คือความเข้าใจอ่า ว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะคําว่าทิฏฐิก็คือความยึดติดนะความเห็นในตรงนั้นสักกายะอนะ่ะก็คือความยึดมั่นในตัวตนนะเพราะสักกายทิฏฐิก็คือความยึดมั่นในความเป็นตัวเป็นตนนะท่านก็เลยให้ละสักกายทิฏฐิเป็นข้อแรกในสังโยชน์ทั้งสิบนะเพ solution, ราะทั้งผู้ใดที่ละสังโยชน์ข้อแรกได้ก็คือความยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนนี่แหละสังโยชน์ข้ออื่นก็จะละไปได้ด้วยนะเมื่อไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราแล้วนะ ราคะนะก็ไม่ใช่งของเรานะโทสะก็ไม่ใช่งของเรานะโมหะก็ไม่เช่ของเรานะเพราะนั้นเมื่อละตัวตนไปได้แล้วนะโทสะรนะาคะโมหะก็เลยพลอยถูกละไปด้วยเพราะว่าเมื่อไม่มีตัวตนแล้วนะเขาก็จะไปอาศัยอะไรอยู่ได้เข้หมนะเหมือนกับความทุกข์มีอยู่นะก็คือราคะโทสะโมหะมีอยู่แต่ไม่มีผู้เสวยความทุกข์นั้นนะมันก็เท่ากับละไปในตัวแล้วนะละเป็นลูกนาฏไปเลยนะ มันก็เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนว่าเราสามารถที่จะเห็นได้ไหมว่าตัวตนนี้ไม่ใช่ของเรานะการที่เราจะเห็นในตรงนี้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตัดไว้แล้วว่าประการแรกนะพระพุทธเจ้าได้ทรงเปิดประเด็ น, ต ร, น, นตรงนี้ไว้แล้วว่าอย่างชัดเจนว่านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นะก็คือกายและใจหรือรูปและนามนี่แหละไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะรูปนะรูปก็คือกายนะคือกาย เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือใจะเวทนาก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอนทุกขมาสุขเวทนานะอก็คือความสุขความทุกขหรือความเฉยเฉยนี่แหละไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราสัญญาคือความจําได้หมายรู้นะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็อาใส่ความจําได้หมายรู้นี่แหละมาเป็นเครื่องเป็นเป็นเครื่องประคองในการที่เราจะอยู่ไปวันๆหนึ่งนะ เพราะว่าความที่เราจําได้นะสิ่งต่างๆในอ ด, ดีตต่างๆที่ผ่านมานี้นะมันเป็นแค่ความที่เราระลึกได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะเพราะความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเกิดจากความที่เราจําได้ใหม่รู้เท่านั้นเองน ะ, นะถ้าเราไป น, นอนหลับนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะสัญญาณมันก็ดับไปนะตรงนี้ความเป็นตัวตนไม่ไม่มีนะแต่เราตื่นมาปุ๊บเราจะจําได้แล้วว่าอตัวเราตื่นขึ้นมา น, นอนที่ไหนนะ นอนอยู่ในวัดนั่นเองนะไม่ให้นอนที่บ้านนะก็คือสัญญามันเริ่มกลับมานั่นเองนะสัญญานี่มันจึงเป็นสิ่งที่ว่าเป็นตัวเป็นตนที่เราสมมติขึ้นมานั่นแหละนะในความเป็นตัวเป็นตนนี่แหละถ้าเราไม่มีสัญญาเราจะจำแม้แต่ชื่อเราก็ยังจําไม่ได้เลยน ะ, นะเพราะใ น, นความเป็นตัวเป็นตนก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละในขณะปัจจุบันนี้นั่นเองนะสังขารน ะ, นะนะ ก็คือความที่เราไปไปคิดปรุงแต่งทั้งหลายแหล่นะเราเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ไปปรุงแต่งต่อปรุงแต่งในตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูป ก, ก็ไปปรุงแต่งหูได้ยินเสียงก็ไปปรุงแต่งนะทางกายทางใจใจไปนึกคิดก็ไปปรุงแต่งต่อนี่ก็คือความที่เราไปต่อสัญญาไปนะจากสัญญาก็เป็นความปรุงแต่งต่อนะบางที่เราเห็นเพื่อนเราจาได้ว่าเพื่อนคนนี้นะ ดีกับเราก็ไปปรุงแต่งต่อว่าเราอย่าไปคุยกับเขาเจอเพื่อนที่เราเกลียดเราก็เกิดความปรุงแต่งว่าไม่อยากไปคุยกับเขาต่อมาก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือความรับรู้นั่นเองนะรับรู้ทางตาหูจมื่นกายใจเนี่ยเมื่อเกิดการรับรู้ขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นวิญญาณนะเช่นหูได้ยินเสียงหูเป็นอายัตนะภายในเสียงไปอายัตนะภายนอกนเมื่ออายุตายัตนะภายนอกมากระทบกับอายัตนะภายใน เกิดความรับรู้ในตรงนั้นเขาเรียกว่าโสตวิญญาณก็คือการรับรู้ในทางหูนั่นเองนะแต่ถ้าบางคนนี้าบางทีเ่มีอยู่นะอายตนาภายในอายตนาภายนอกมีอยู่นะแต่ในขณะนั้นจิตไม่รับรู้ก็มีนะไม่รับรู้เช่นกาลังนึกเรื่องอะไรอยู่บางทีได้ยินเสียงฟังธรรมก็ยังไม่รู้เลยว่าพูดเรื่องอะไรนะเพราะจิตไม่รับรู้ในตรงนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่า ไม่เกิดวิญญาณในทางหูขึ้นมานะเพราะว่าวิญญาณ น, นี้จึงเป็นสิ่งที่ว่าเรารับรู้อายันณะต่างๆในทั้ง6เนี่ยได้แม้แต่ใจนคิดเราก็สามารถรู้ได้นะเขาเรียกว่าเรามีวิญญาณธาตุในตรงนี้อยู่แล้วนะสามารถที่รับรู้ในสิ่ ง, งต่างนะอันนี้เขาเรียกว่าทั้งหมดนี้ก็คือนามนะหรือจิตใจอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดเลยก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นะเพราะนั้นเมื่อเรามีกายและมีใจนี่แหละ พระพุทธเจ้าได้บอกว่าแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ตัวไม่ตนนะตรงนี้ถ้าเราไปบัตรธรรมถึงระดับหนึ่งเราจะเห็นว่าจริงๆมันก็แยกกันหมดนะมันไม่ใช่ว่าเป็นรวมทีเดียวรวบยอดทีเดียวหมดหรอกเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันก็คิดไปนะก็คือความที่เราว่าเป็นสังขารไปนะเพื่อคิดไปเราก็รู้เนี่ยก็คือวิญญาณก็มารับรู้ครั้งแล้วเราก็คิดไปนะบางทีรู้รไปก็เกิดเวทนาขึ้นมานะโอปวดแข้งปวดขาจังเลยนะ ปวดยกมือก็เมื่อยก็กลับมารู้ในเวทนาอีกครั้งหนึ่งคิดไปคิดยกมือไปยกมือมาก็กลับมาคิดไปที่บ้านโอ้ที่บ้านเป็นยังไงเนาะปรุงแต่งกลับไปอีกแล้วนะคิดไปที่บ้านเด็กนะพอคิดไปที่บ้านกลับมาก็คิดไปว่าโอ้ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมมาดีนะเราก็เลยมาถึงนี้ได้ น, นี่ก็คือสัญญาความจําได้ว่าปิดเทอมก็กลับมาอีกนะมันจะยากกันไปแบบนี้เราเห็นไหมในความที่มันยากของ ของนามหรือของวิญญาณทั้งหลายแหล่หรือความที่ว่าเป็นจิตทั้งหลายในตรงนี้เราเห็นในความแยกของเขาไหมมันจะแยกอยู่ทั้งวันให้เราเห็นพอเดี๋ยวคิดไปเดี๋ยวกลับมารู้ทางกายอีกนะตอนนี้กำลังเดินก็รู้กาลังเดินอยู่อีกก็เป็นแบบนี้ทั้งวันเรากลับมาเห็นเขาไหมเนี่ยเพราะฉนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกไว้แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขวิญญาณหรือกายและใจเนี่ย ไม่ตัวเมทชนนะมันก็แค่ทํางานไปเป็นบางขณะเป็นบางครั้งเท่านั้นเองบางครั้งสัญญาก็ทํางานบางครั้งสังขารก็ทํางานบางครั้งเวทนาทํางานบางครั้งวิญญาณก็ทำงานเราเห็นไหมว่าเขาทํางานเป็นขนาดขนาดแต่ละครั้งไปไม่ตัวเมตนของเราน ะ, ะถ้าเราเข้าใจที่พระเจ้าได้ทรงเปิดประเด็นไว้ตรงนี้น่แหะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเ อ, อจากการที่เราไปยึดติดน่ะว่ากาย เ, ยเป็นของเราเราก็เริ่มรู้แล้วมันไม่ใช่ใกายของเรานะ ผู้ ก, กายนี่เขาก็เสื่อมไปตามสภาพของเขาเองนะเขาทํางานของเขาเองทั้งวันนะเช่นหัวใจก็ทํางานเองนะเร า, าเองสั่งหัวใจทํางานนะเขาก็สูบฉีดโลหิตเองปอดก็ทํางานเองหายใจเองกระเพาะ อ, อาหารก็ทํางานเองนะเรารับประทานอาหารไปไม่ต้องบอกให้เขาย่อยอาหารหรอกเขาก็ย่อยอย่างเขาเองนะเขาก็ขับเคลื่อนเป็นําสร้างลําไส้ใหญ่ลําไส้เล็กจนเป็นอุจจาระเปในที่สุด เระผมร่างกายจริงๆเขาทางานเองทุกอย่างนะเราไม่ได้ไปสั่งเขาหรอกใช่ไหมเขาก็แก่เองด้วยใช่ไหมเราไม่ได้สั่งเขาแก่เขาก็แก่เองเพราะร่างกายนี้เราจึงเห็นว่าเออเราไปยึดถือก็ไม่ได้เนาะเขาทํางานเขาเองเขาไม่ตัวไม่ตนของเราจริงๆนะถ้าเป็นตัวเราเราไปโดนเวลาเราตายเนี่ยไปโดนเผาไปโดนฝังเราไม่ทรมานแย่หรือนะมันก็สลายไปทั้งหมดนั่นแหละไม่ตัวไม่ตนจริงๆนะส่วนมากร่างกายเราเห็นได้ชัดนะว่าไม่ตัวไม่ตนของเรา สิ่งเราเห็นไม่ชัดก็คือจิตใจนี่แหละอะว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่เสมอน ะ, อะมีตัวเราคิดเรารักเราชางังเราเกลียดเราหลงเราโกรธทั้งวันน ะ, ะพวกตรงนี้เรายังไม่เข้าใจในความเป็นจริงว่าจิตใจก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันนะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบอกชัดแล้วว่ากายและใจไ ม, ไม่ใช่ของเราแต่เราทำไมยังยึดว่าใจมัของเราอยู่นะเนี่ยเพราะเมื่อยึดยึดใจเหมือนเราแล้วเนี่ย เราจะความเกิดความทุกข์กับใจเนี่ยเยอะเลยนะอ่าบางทีเราไปบัติธรรมมาแล้วนะหลายๆปีนะเราจะเห็นว่าเออทําไมไปบัติธรรมตั้งหลายปีแล้วทำํำไมเรายังฟุ้งซ่านอยู่นะอ่าทำไมเรายังหลงอยู่นะอ่าหรือไปบัติธรรมมาตั้งหลายปีทำํำไมเรายังโกรธอยู่นะตรงเนี้ยเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจว่าให้ความโกรธหรือความหลงไปนะเปนี่ยก็เป็นเรื่องของจิตใจเขาเองนะไม่ของเรานะ ตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่าจิตใจเขาทํางานในตรงนั้นเองไม่ใช่ของเรานะเพราะว่าอะไเช่นความที่ว่าเราฟุ้งซ่านไปเนี่ยสมองเขาก็ทําหน้าที่ของเขาหนะ้าสมองเนี่ยก็เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งในร่างกายก็เหมือนกับหัวใจนะั่นแหละหัวใจก็ทํางานเองเพราะสมองก็ทํางานเขาเองนะหน้าที่ของสมองก็คือหน้าที่คิดนั่นเองน ะ, ะเมื่อนักเข้มหินหน้าที่คิดเนี่ยเราก็ว่าเออเราทําไมเราฟุ้งซ่านเยอะนะ ทั้งๆที่ทอวัยวะต่างๆเขาก็ทําหน้าที่ของเขาแต่เราก็ไปยึดติดว่าเป็นเราคิดนะเป็นเราคิดนะเราหลงเราฟุ้งซ่านไปน ะ, นะตรงนี้เราก็ไม่ออกจากความทุกข์ไปได้ใช่ไหมความโกรธต่างๆเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ใจเขาโกรธเองนะมันไม่ใช่ของเราหรอกนะอย่างที่ว่ากายและใจแม่งเราเมื่อเราสรุปในตรงนี้ได้ว่ากายและไม่ใช่ของเราแล้วจิตใจนี่น ะ, นะเขามีอยู่จริง แต่สิ่งที่จิตใจเขาแสดงออกมาก็คืออาการของจิตต่างๆนะอาการของจิตต่างๆก็เช่นความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเขาแสดงออกมาแต่ถ้าเรายังจิตเรายังสรุปไม่ได้ว่าจิตใจไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยเราก็ไปยึดว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นของเราเมื่อเรายึดเช่นนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นความทุกขามมานั่นเองนะแต่ถ้าเราสามารถสรุปได้ว่าจิตใจไม่ใช่เราแล้วเนี่ยเพราะนั้นความโลภความโกรธความหลงก็เป็นเรื่องจิตใจไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็จะกลายเป็นออก ออกมาจากตรงนั้นได้เลยนะเราก็ไม่3มเราก็จะไม่ทุกข์กับตรงนั้นอีกนะเพราะลูกอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือเป็นเช่นนั้นเองเราจะบังคับจิตใจว่าเอออยา่ยาโลภอย่าโกรธอย่าหลงได้ไหมบังคับไม่ได้นะนะเพราะว่าจิตใจเขาเป็นของเขาเองเช่นนั้นนะเราจะบังคับเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมเขาทํางานเขาเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราไปตู่เอาเท่านั้นเองนะไปตู่ว่าใจเนี่ยเป็นของเราเพราอตู่ว่าใจไปเราเพรา ะ, ะนั้นความโลภความโกรธความหลงก็เลยเป็นของเราด้วย เราก็ไม่ออกจากความทุกข์ทีหนึ่งนะแต่ถ้าเราเห็นในสภาพว่าความเป็นจริงว่าเออจิตใจจิตใจไม่ยังเราแล้วเนี่ยเขาทํางานก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้ดูไปเลยนะเราก็ไม่ทุกข์กับตรงนั้นนะเพราะว่าความบกพร่องทั้งหลายของอ่าเพาะบกพร่องทั้งหลายทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงหรือกิเลสทั้งหลายทั้งหมดนั้นก็คือจิตใจเขาบกพร่องไม่ใช่ระบบพร่องนะแต่เราไม่เข้าใจว่าเราบกพร่องแล้วเราก็จะมีแต่ความทุกข์ตลอดไปนะ บางทีเราปฏิบต้องหลายปีเปิดทําั้งหลายปีปรยปเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นั่นแหละเพราะว่าเราไปยึดติดเองนะว่าจิตใจของเราเรายังไม่คลายอยู่ความยึดติดในตรงนี้แต่เมื่อเราสามารถเข้าใจแล้วในตรงนี้ถึงความไม่ตัวไม่ตนจริงๆบังคับบัญชาก็ไม่ได้นี่แหละเราก็จะเข้าใจเขาได้อย่างแท้จริงนะการที่เราเห็นในตรงนี้นะเช่นเราสามารถเห็นได้ไหมว่าความคิดต่างๆเราไม่ได้อยากคิดแต่เขาก็คิดเอง เขนะาคิดกองเขาทั้งวันนั่นแหละสแสดงว่าจิตใจเขาทางานเองแล้วราบังคับก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมเราไม่อาจจะบังคับใจของเราได้เลยไหมแต่นิดเดียวนะให้เขาสงบสักหนาทีก็ยังไม่ได้เลยนะเราจะนอนให้ค่อนอนหลับเร็วๆก็นอนไม่หลับนะยิ่งอยากให้หลับก็ยิ่งไม่หลับเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้นะตรงนี้จากการที่เราไปบังคับเขาเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปยึดติดตัเองนะเราไม่มีหน้าที่ไปบังคับเขาเรา ม, มีหน้าที่เป็นผู้ดูเฉยๆแล้วเราก็จะออกจากตรงนั้นได้นะ แต่ถ้าเราไปบังคับเขาเนี่ยมันเป็นของที่ไม่จริงทั้งหมดนะธรรมะที่ความเป็นจริงคืออะไรนะธรรมะความเป็นจริงก็คือให้เขาเป็นตามที่เขาเป็นนะไม่ใช่ให้เขาเป็นตามที่เราอยากเห้เขาเป็นนะเพราะเราไปบังคับเขาอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้นั่นแหละก็คื อ, อตันหาทั้งหมดเลยนะเมื่อไปบัติเช่นนั้นแล้วด้วยตันหามันจะออกจากความทุกข์ไม่ไดนะ้อยากให้จิตใจส ง, สงบตามเราต้องการอยากให้มีสมาธิตามเราต้องการเราเป็นไปได้ไหม มันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเป็นไปตามตันหาเราอยากก็เป็นตามเราต้องการนั่นเป็นตันหาทั้งหมดนะแต่เรารู้ตามในเขาเป็นนะรู้ตามก็เป็นก็คือรู้ในสภาวะความเป็นจริงนั่นแหละถึงความเป็นนิจจังทุกครั้งตาบังคับเป็นชาไม่ได้เขาแสดงความเป็นจริงตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถยอมรับได้ไหมสามารถเข้าใจเขาได้ไหมถ้าเข้าใจเขาได้นี่แหละเราเข้าถึงธรรมะแล้วนะเพราะทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ก็ตกในกฎพระไตรลักษณ์นั้นก็คือความเป็นนิจจัง ความไม่เที่ยงทุกขังคือความทนในสภาวะเดิมไม่ได้รัตตาคือความไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละคือความจริงของสัจธรรมหรือธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองนะเมื่อธรรมชาติเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถยอมรับเขาได้ไหมสามารถเข้าใจเขาได้ไหมถ้าเรายอมรับเราเข้าใจก็ได้นั่นแหละเราจะพ้นทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมรับเราไม่เข้าใจเขานั่นแหละเราก็จะทุกข์ตลอดไป เนะพราะการปฏิบัติธรรมก็คือเข้ามาสู่ประเด็นนี้เท่านั้นเองว่าให้เรายอมรับตามความเป็นจริงในกฎพระไตรลักษณ์เนะพราะเราไปฏิบัติไปแล้วเราก็เห็นว่าเออบางวันปฏิบัติก็ดีนะมีสติรูส้สึกตัวทั้งวันแต่อีกวันต่อมาก็แทบจะหลงทั้งวันเลยนี่หละเ ข, เขาแสดงมาไตรลักษณ์เราเห็นแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดตรงต่อพระไตรลักษณ์ผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์แต่ผู้ใดไม่ตรงต่อพระไตรลักษณ์ผู้นั้นก็จะไม่พ้นทุกข์นะเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบาลเมยคุณพระตาไตร มาน้อมนำให้พวกเราทุกท่านตรงต่อพัฒษธรรมและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเธิน